เมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพศ2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนความขี้เกียจความไม่อดทน อวามท่เทีย อ, อนแอนความเห็นแก่ตัวเหล่านี้เป็นส่วนกลางๆยังไม่เท่าไรเนาะเมื่อเขา้าสวนกับบุคคล ให้กลายเป็นคนขี้เกียจคนท้อแท้อ่อนะคนไม่อดทนคนเห็นแก่ตัวก็แล้วย่อกลายเป็นบุคคลที่หลามกุกแปดเปือนพระศาสนาซึ่งเป็นของสะอาดเพราะสิ่งเหล่า น, นี้เป็นมนลถิ่น เมื่อเข้าครอบกับจิตใจของคนแล้วจึงกลายเป็นคนสกปรกไปด้วยสิ่งตง่านี้พระไทยของพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่บริสุทธิ์อยู่ตราบใดพระองค์ท่านก็ไม่ตรัดพระสัทธธรรมซึ่งเป็นของสาออกมา เมื่อพระไทยเป็นของสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงได้ประกาศาศาสนธรรมออกมาให้โลกได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นาศนาสนธรรมทุก บ, ท, กบททุกบาทที่ทรงแสดงไว้แล้วตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำาือธรรมะพื้นพื้นจนกระทั่งธรรมะอันสูงสุด ยึดเต็มไปด้วยหักเหตุผลควรแก่ผู้สดัตว์ตัฟังจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจนนวสานสุดท้ายไม่มีข้อใดจะบกพร่องโดยเหตุผลไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคุณสมบัติอันเป็นที่รับรองได้อย่างแน่นอนเหมือนอย่างาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้า เราต่างท่านต่างได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ิเสดและความแม่นยำของาศาสนาธรรมว่าจับไว้ชอบแล้วจึงไม่น้อมกายถวายชีวิตเพื่ออุทิศตนต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามเต็มกำลังความสามารถ โดยอาศัยหลักธรรมเป็นแนวทางดำเนินเหตุไดการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนไม่เป็นไปด้วยความราบรื่นตามหลักศาสนาธรรมนี่เข้าใจว่าการก้าวเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่จะเป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นจะมี น้อยมากทีเดียวแต่การที่จะดำเนินให้นอกลูนอกทางไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกหรือโดยความดื้อด้านของตัวเองพาให้เป็นไปนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคุณค่ามีจำนวนน้อยกับสิ่งที่หาคุณค่าไม่ไดน มีจำนวนมากและมีน้ําหนักมากจึงไม่พอกับความต้านทานของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับให้เป็นความสุขกายสบายใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะจึงรู้สึกว่ามีน้อยมากหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่ปรากฏเลยก็มีเพราะความดีไม่สามารถจะเอาชนะความชัว่วซึ่งมีจำนวนมากได้ การเรียนธรรมะก็ดีด้วยการดูตามตำรับตำราการเรียนด้วยการศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนก่อนถ้าพยายามสังเกตไปตามเหตุผลแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไว้แล้วทั้งที่เป็นประยัิและครูวาอาจารย์แสดง อีเข้าใจว่าจะพอทรงตัวได้อย่างน้อยมากกว่า น, นั้นก็จะได้ปรากฏผลเป็นที่พื้นพอใจขึ้นไปเป็นชั้นๆเพราะหลักเหตนผลไม่เคยมีแห่งธรรมะไม่เคยมีบทใดบกพร่องนอกจากจะบกพร่องอยู่กับผู้มาปฏิบัติ หรือศึกษาอบรมนี้เท่านั้นเพราะความไม่สนใจหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงกันหรือเพราะทํานามกันเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินดังอทิตได้อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นเป็นเครื่องปกคุมหุ้มหอ่อหรือกั้นกลางทางเดินไว้เสียอย่างมิคิดไม่สามารถที่จะรู้เรื่อง แห่งจิตของตนที่คิดไปในแง่ใดการดําเนินทางหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันดับแรกต้องดําเนินโดยทางวิถีจิตคิดก็ต้องพยายามคิดให้ถูกและคอยสังเกตจอดรู้ความคิดของตนว่าเป็นไปในทางผิดหรือถูกเพื่อจะได้เป็นทางระบายออกที่ถูกต้องแห่งกายวาจาของเรา หากไม่สังเกตความรู้สึกซึ่งเป็นเครื่องรับธรรมะแล้วความรู้สึกนั่นจะไม่มีเวลาหันหน้าเข้าสู่ธรรมะอันเป็นความจริงได้แต่จะกลายเป็นความผิดขึ้นมาจากความคิดของตนโดยลาดับทั้งวันทั้งคืนและยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยมาเป็นฉะนั้นผลที่จะพึงได้รับเราจะเอาอะไรจากนอกจากเหตุผลไป เหตุก็คือาการคิดผิดผลจะต้องแสดงความเป็นผิดขึ้นมามเหตุกับผลเกี่ยวเนื่องกันไปในทางที่ถูกตามหลักของมันอยู่เสมอถ้าคิดไปในทางที่ถูกผลจะพึงแสดงขึ้นก็ต้องเป็นความสุขความสบายจะแยกกันไม่ได้ บรรดาเหตุกับผลทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชัวย่วปิดทานที่มาศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งที่ก้าวเข้ามาสู่วัดนี้ผมได้พยายามแนะนำสั่งสอนทุกๆ ท, ท่านจนสุดกำลังความสามารถทั้งที่สอน ในทนองที่ว่าแสดงทำให้ฟังทั้งที่สอนโดยอุบายต่างๆเพื่อให้เป็นที่สะดุตาสะดุใจแล้วยึดไว้เป็นหลักฐานต่อไปทั้งพูดเรียบเียดเคียงเคียงเป็นอุบายขึ้นมาเพื่อให้ท่านปุมาศึกษาทั้งหลายได้ยึดและนำไปปฏิบัต พูดง่ายๆก็ทั้ง ส, สอน ว, วิธยีตรงไปตรงมาทั้งสอนโดยอุบายต่างๆแล้วแต่จะเห็นสงวรในเวลาและสถานที่นั้นๆเกี่ยวกับพระเนรูปนั้นๆแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วไม่ปรากฏจะ เป็นเครื่องสะดุดตาสะดุดหูสะดุดใจเลยเราจะเห็นได้ในสิ่งที่เราเคยแสดงให้ฟังแล้วเพราะอุบายวิธีที่ทำให้ดูนั้นหลายหลายครั้งหลายหนไม่สามารถจะยึดเอาได้แล้วก็ น, นำเรื่องเช่นนั้นมาทิบายให้ฟังเพื่อจะได้สังเกตในแง่อื่นซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกั น, น แต่เขาไม่ค่อยปรากฏว่าได้ยึดไม่ได้ว่านี้เป็นอุบายที่เราได้จากอุบายของท่านสอนโดยวิธีต่างๆนอกจากจะมาบอกเอาซึ่งซึ่งหน้าซึ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะ อุบายวิธีที่เกิดขึ้นจากความคิดของตนเองกับอุบายวิธีที่ท่านสอนให้หยื่นให้นี้ผิดกันความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการสอนของท่านกับความฉลาดที่เรานำไปคิดพิจารณาเองนี้มีน้ำหนักและกว้างฝวางต่างกันอุบายที่ได้จากท่านสั่งสอนเหล่านั้น มีน้ำหนักน้อยและอาจจะหลุดลอยไปได้แต่อุบายวิธีที่เราพยายามค้นคิดขึ้นมาโดยลาพังของเรานี่เป็นสมบัติของเราแท้และยังจะแตกกิ่งขแขนงออกไปอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเพราะนิสัยเป็นคนช่างคิดการถอดถอนความชั่วทุกประเภทอย่าเข้าใจว่าไม่มีปัญญาเข้าแฝงต้องมีปัญญาเข้าแฝงทุกๆุก ประเภทของกิเลสไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดจะเวียนจากปัญญานี้ไปไม่ได้โปรดทราบไว้ทุกๆุกท่านด้วยว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ศาสนาของคนโง่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะของคนโง่ที่ประกาศสอนไว้และไม่ใช่ธรรมะแบบมืดดำกรามตา ผู้สอนก็ไม่ใช่ผู้มืดแปดทิศแปดด้านคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างกระจ่างแจ้งแล้วด้วยปัญญาสอนธรรมะทุกบททุกบาทพระองค์ท่านสอนด้วยปัญญาเท่านั้นธรรมะที่มีในแบบในแผนตำหนับตำรามากน้อยจึงเป็นธรรมะที่พร้อมแล้วด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาโดยชอบธรรมกรันกรองแล้วด้วยพระปัญญา ไม่มีสิ่งใดที่จะคัดคัดค้านได้แม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งในบรรดาที่เป็นสวัสาาธรรมซึ่งพระองค์ท่านได้ตรับไว้แล้วอยากเข้าใจว่าศาสนาเป็นธรรมชาติที่โงกโดยปราศจากปัญญาและศาสดาผู้สอนก็อยากเข้าใจว่าเป็นคนโงค่คนทึกชาดเหนือโลกจึงได้เป็นครูสอนโลก ธรรมะเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเนื้อโลกโลกจึงกราบไว่ว้สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติจนสามารถข้ามโลกได้โลกจึงได้ถือเป็นชนะทั้งสามตลอดมาเราอย่าปฏิบัติแบบหลับตาปิดหูหรืออุดหูใจให้คิดตาให้ดูหูให้ฟังอย่างลงด้วยปัญญา ทุกๆสิ่งที่ได้เห็นได้ยินไม่ว่าจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจากท่านผู้เกี่ยวข้องหรือสภาพใดที่มาเกี่ยวข้องกับตนซึ่งมีทางที่จะให้เกิดความดีความชั่วได้เราพิจารณาให้เป็นธรรมะนี่ยเรื่องของปัญญาเมื่อเป็นนักคิดค้นจะต้องแตกแขนงออกมีทางเดินอันกว้างขวางต่อไปไม่จนมุม แต่ความโง่นั้นจะทำตนให้จนมุมทุกๆระยะไม่ว่าจะสัมผัสกับสิ่งหยาบรางละเอียดประเภทใดมีแต่ทางจนมุมเพราะสิ่งที่มาสัมผัสมัดตัวอย่างหาทางแก้ไม่ได้แต่ผู้มีความฉลาดสามารถที่จะรอดพ้นออกได้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิมกายและเกิดขึ้นในทางจิตใจอง ปวดได้ทราบไว้ทุกท่านว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาของคนโง่พอเราจะมานั่งหลับหูหลับตาไม่คิดไม่อ่านไม่ไตรไม่ตรองในเรื่องอะไรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมกับเพศนักบวชซึ่งเป็นเพศที่ไข้ควนและเป็นเพศที่นักต่อสู้ในทางความดีไม่ลดละความเพียรศาสนาที่ยังมาอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ยังเหลือมาด้วยความเกียดคร้านด้วยความทอแทิ้งอะ ไม่ได้มีมาด้วยความงูกเขาแบบปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่สืบท อ, อดกันมาด้วยความรู้ความเฉลาดสามารถในทางด้านปฏิบัติการศึกษาศาสนาไม่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความผิดถูกของตนเพื่อเทียบกับหลักธรรมะแล้วเราจะถืออะไรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นผู้ปฏิบัติ รักษาศาสนาอะไรที่มีคุณค่ามากจนถึงกับพระศาสนาได้วางลงให้เป็นอุบายในเนวทางนอกจากใจแล้วไม่มีศาสนาธรรมทั้งหมดสอนใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโลกถ้าใจได้รับการอบรมจนเพียงพอตามหลักศาสนาธรรมแล้วใจจะไม่จนมุมต่อตนเอง ทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องหน้าที่การงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพาเดินจึงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและสาเร็จด้วยวตามความมุ่งหมายหากได้ปรัชญาถ้าจากทําแล้วจะหาทางเดินไปเพื่อความสุขความเจริญไม่ได้ใครจะถือศาสนาไม่ถือศาสนาก็ตามหลักความจริงอันถูกต้องนั่นคือหลักศาสนาโดยตกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่เคยได้ แย้งหลักความจริงไปแม้แต่นิดหนึ่งนอกจากจะแสดงตามห ล, หลักความจริงล้วนๆแล้วรู้กระรู้ตามหลักความจริงการสอนจริงต้องสอนตามหลักความจริงไม่มีทางฝืนเมื่อคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงไม่ว่าทางโลกและทางธรรมแลงจะไม่ถูกต้องกับศาสนาอย่างไรแล้วนั่นแหละเรียกว่าหลักศาสนาในธรในธรรมเรียกว่าศาสนาในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดที่ว่าเราถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประกาศให้โลกเขาได้ทราบเฉยๆแต่ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงทั้งหลายนี่แหละคือหลักศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้นอกลู่นอกทางแห่งความจริงไป คือไม่ได้เอาอำนาจมาสนาออกไปสอนไม่ได้สอนอิงอำนาจมาสนาไม่ได้สอนอิง ก, กิเลสอาชวะแต่สอนอิงหลักความจริงไปทั้งนั้นเช่นท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงเท่านี้กระเทือนหมดทั้งโลกฐา ดีไม่ว่าดีประเภทใดถ้าผู้นั้นทํามีกําลังแห่งการทํามากน้อยเท่าไหร่ดีจะแสดงผลขึ้นมาตามกําลังแห่งการกระทําของผู้นั้นเรียกว่าผลสนองเหตุเท่าที่ควรชั่วก็เคยมีมาดั้งเดิมดีก็เคยมีมาดั้งเดิมเหตุแห่งการทําดีทําชั่วก็มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีใครสามารถจะทราบชัดทั้งเหตุและผลแห่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วยิงพากันงมทําชั่ว จนถึงกับผลแสดงออกมาหาที่ตรงวางจิตใจกายไม่ได้ก็ยังพากันทำเนื่องจากไม่ได้เรียนตามหลักความจริงว่าเหตุที่ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นก็เพราะการทำความชั่วพยายามถอนตัวให้พ้นจากการกระทาชั่วนั้นเสียเรื่องความทุกข์จะไม่ติดตามดังนี้ไม่ได้สำนึกแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นดูเหตุดูผลจนรู้ชัดตามหลักความจริงว่าทุกกีสุกกรีต้องมีสาเหตุเป็นแดนเกิดคือการกระทา เรื่องการกระทำเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดให้เห็นสุขและทุกข์ขึ้นภายในตนอย่างชัดเจนมีเป็นหลักใหญ่ของศาสน า, ศาทุกๆพระพุทธทเจ้าที่สอนมาไม่ได้สอนให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปแม้แต่น้อยเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันในโลกนี้เป็นความจริงตลอดมาเช่นนี้ผู้รู้ก็จะต้องรู้ตามหลักความจริงที่เป็นมา แล้วสอนตามหลักความจริงนี่เป็นมาด้วยกันทั้งนั้นขอให้พากันนำไปพินิจพนนะิาาจารณาทำไมจึงไม่ได้เหตุได้ผลการปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ภายในใจของเราทุกๆท่านนี่ก็รู้สึกว่าอิจนาละอาใจ เป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันในการสอนหมู่เพื่อนนำไปพินิจพิจารณาถึงอุบายวิธีที่เราสอนกับหมู่เพื่อนที่จะเอื้อมให้เห็นเงื่อนเห็นทางบ้างสมเรียกว่าตอบรับกันกับการที่เราสอนด้วยความสนใจจริง ยึดไม่มีไม่เหนืออำนาจของการฝึกทรมานด้วยหลักธรรมะไปหลักธรรมะเป็นเครื่องมืออันเอกในการที่จะฝึกอบรมจิตใจให้หายพยุติเป็นชั้นชั้นจนหายได้ดังอย่างเด็ดขาดไม่มีเครื่องมือใดที่จะทันสมัยเท่ากับเครื่องมือที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาซึ่งพระองค์ท่านประทานไว้แล้วรวมแล้วก็มีแปด มีสมาธิฐิเป็นต้นมีสมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละเป็นเครื่องมื อ, อชั้นเอกชิ้นเอกรวมใจความลงแล้วมีแปดประการนี้พวกท่านเคยเรียนไหมสมาธิฐิสม า, ส, มาสังกปโปอะไรเป็นตัวสมาธิฐิเป็นสมาสังกโปและเป็นสมาสมาธิเป็นต้นพวกท่านเคยเห็นอะไรบ้าง แล้วเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจะเทียบกันให้เข้าเรื่องราวกันพวกท่านเห็นอะไรโง่เห็นอะไรทำความผิดถ้าไม่ใช่สัตว์ตัวมีวิญญาณ น, นี้เป็นผู้โง่และเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทำความผิดและความถูกคนเรามีวิญญาณครองหรือไม่เฉพาะอย่างยิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ในเวลานี้มีความรู้สึกประจําอยู่ในร่างนี้หรือไม่ เมื่อประจําอยู่นี่มันโง่หรือมันฉลาดเวลานี้ได้สอบถามตนบ้างหรือไม่ถ้าหากได้ทดสอบตนบ้างแล้วจะเห็นความโง่และความฉลาดปรากฏขึ้นในใจตรงเดียวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความโง่ความฉลาดมีเท่านี้สัมมาทิฏฐิสมาทัางกปร์ตลอดถึงสมมาสมาธิเป็นต้นถ้าเป็นก็เป็นขึ้นจากผู้นี้ด้วยการขุดค้น ให้เกิดความฉลาดขึ้นมาความมั่นคงของจิตใจที่จะเป็นไปตามหลักเหตุผลและมั่นคงต่อความเชื่อมั่นของตนก็จะมีความมั่นคงไม่ว่าแวกความแคลนไปตามอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นในทิ้งหากจิตเป็นจิตที่ฉลาดพอตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าสัมมาทิฏฐิหากไม่ได้สนใจในนี้เป็นแต่สักว่าเรียนมาเฉ ย, เฉย ไม่นํามาใช้ทําประโยชน์แล้วจนวันตายก็ไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นมานอกจากคําพูดซึ่งเป็นเหมือนกับนกขุนทองเท่านั้นโปรดได้ทราบเสียในวันนี้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นกขุนทองพอจะเรียนแล้วปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่สนใจนํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ยทุกมุมสอนไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ ผู้ั้นเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงมุ่งหวังนอกจากผลที่จะพึงได้รับของผู้ปฏิบัติจากการสนับสนุนของรธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นการปฏิบัติว่าช้าอะไรช้านอกจากตัวเองจะเป็นผู้กั้นกลางทางเดินตนเอง ด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะเป็นอุปสรรคนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตอนเองจะดันทาพิญญาก็ตามคิด ป, ปาพิญญาก็ตามเป็นเรื่องของความเร็วความชากักซึ่งเกิดขึ้นจากตนเองให้ความสะดวกแก่ตนเองมากน้อยเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดจะมาให้ความสะดวกและกัดข้องแก่ตนพอจะไปหาทางตาหนิลองมัด ตัวจิตเข้าดูสิตั้งสติกำหนดดูกระแสของจิตที่คิดอยู่ตลอดเวลามันคิดไปเรื่องอะไรบ้างมีวิธีที่จะรู้เรื่องทั้งฝ่ายผิดและถูกและรู้เรื่องความช้าหรือเร็วแห่งปฏิบาาัติธรเคร่งนังเนินของตนจะรู้ได้ในจุดคือความสังเกตนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางรู้บนถึงวันตายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์อะไรในการบว วิธีรักษาความดีที่เกิดขึ้นแนวอย่างที่บางท่านถามเราได้ทราบไหมว่าความดีในวันหนึ่งเกิดขึ้นแกเรากี่ครั้งและความชั่วที่เกิดขึ้นในเราวันหนึ่งวันหนึ่งกี่ครั้งไม่ได้หมายถึงไปฉกไปลักป้นสะดมใครล่ละความชั่วมีหลายประเภทความชั่วของนักบวชไม่ใช่จะเป็นผู้ไปปล้นไปสะดมสิ่งที่เป็นกิเลสโสมมท่านเขาเรียกว่าความชัว สิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นจากจิตใจของเรากี่ครั้งในวั น, นเรานับได้ไหมถ้าเราไม่สามารถจะรู้ได้เรากม็มีทางที่จะรักษาความดีซึ่งเกิดขึ้นให้ยืนยงคงถาวรไปได้นอกจากจะล้มละลายไปตามความชั่วที่มีกําลังมากนี่เท่านั้นถ้าอยากจะรักษาความดีให้คงอยู่และให้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็ควรจะรักษาใจใจนี่แหละเป็นที่สั่งสมแห่งความดีและชั่วทั้งหลาย และเป็นที่ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานด้วยอุบายต่างๆมีสติเป็นต้นด้วยมีเท่านี้ทางจะให้เนินช้าทางที่จะรักษาตนได้และความมั่นคงนี้จะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นไปมีเท่านี้ไม่มีทางอื่นการรักษาสติกา ร, รเพื่อรักษาจิตใจการใช้ปัญญาให้รู้ทางเดินของจิตในทางผิดและถูกไม่มี อาการไหนมันาอาการ ร, กรักษาของเราจะเป็นอาการที่สุดวิสัยของผู้สร้างใจมาประพฤติปฏิบัติเช่น น, นักบวชดังนี้หรือเรายังสงสัยอะไรอีกที่เราจะต้องจัดต้องทำจนหืนห่างจากความเปลี่ยนทัน้งหลายมีอะไรสถานที่อยู่ก็มีแล้วมีผู้สร้างให้อย่างสมบูรณ์จนเหลือเฟืออาหารการกบฉันก็ มีแต่สิ่งที่สําเร็จรูปมาแล้วเท่านั้นคนทั่วๆไปจะไม่ได้อยู่ได้อาศัยได้คบฉันได้ใช้สอยเหมือนอย่างเราที่เป็นนักบวชถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกแล้วนักบวชเป็นที่หนึ่งเป็นความสะดวกเณนณาชนะคือกุฏิที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมที่มีศรัทธาทั้งหลายและเป็นผู้มุ่งต่อบุญต่อผู้สนอยู่แล้วก็สร้างให้อาหารบินธบัดไปบินธบตดมาวันหนึ่งวันหนึ่งจน เต็มมาดล้นบาดสะบงจีวรเครื่องนุ่งห่มชชยสอนก็เหลือฝือยาแก้ไข้ก็เหมือนกันว่าหนึ่งว่าโรงพยาบาลเพราะต่างคนก็ต่างเมตตาสงสารพระแล้ว น, นำมาเทารแก้หลายประเภทไม่เพียงแต่ยาที่จะแก้โรคแค่นี้เดียวมีจานวนมากถ้าพูดตังเรื่องความสะดวกไม่มีใครที่ะสะดวกสะดวกเท่าพระสะดวกจนลืมตน ไม่ได้สนใจคิดถึงเรื่องสถานที่อยู่เกิดมาจากอะไรอาหารปัจจัยเกิดมาจากอะไรเพราะเหตุไรจึงเกิดมามีมาทั้งๆ ท, ที่ตนไม่ได้ส่องแสวงหาไม่ได้ทําสวงกีวอนเครื่องนุ่งหม่มเกิดมามีมายากแก้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆมีมาประจำมีมาเพราะเหตุไรี่ลืมลืมตน ถ้าเป็นผู้สำนุกตนอยู่ด้วยแล้วก็จะมีปัญญาจากสถานที่อาหารเครื่องนุ่งหง่มก็ถึงยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆว่าไม่ควรนอนใจที่จะอาศัยอยู่เฉยๆหากว่ามีสาเหตุเป็นแดนเกิดมาแห่งปัจจัยทั้งสีนี้แล้วเราก็ควรจะตระหนักในสาเหตุนั้น มาเป็นเครื่องเตือนตนว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นมาจากคุณของพระพุทธเจ้าและเกิดขึ้นมาจากเราเป็นนักบวชเป็นผู้เสียชระเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่หลักธรรมะเป็นตวนอย่ถ้าทราบอย่างนี้แล้วก็ควรจะตระหนักตนเข้าไปอีกว่าเราจะเป็นคนเช่นไรให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มีความเพียรกล้าให้มีสติมั่นคง กรกับใจของตนด้วยดีมีใจแน่นหนาไม่วอกแวกควอนแคลนเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมมีปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถจะแก้ตนได้ในสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทุกๆเวลามีความระมัดระวังอยู่เช่นนี้นี่แหละชื่อแบบเป็นผู้ไม่ลืมตนอาศัยอะไรนำสิ่งนั้นมาพิจารณาถึงสาเหตุที่เป็นมา คนนั้นจะไม่นอนใจคนที่ไม่นอนใจคนที่ระมัดระวังรักษาตัวอยู่นั้นไม่ค่อยจะเกิดอันตรายทางด้านจิตใจได้ง่ายแต่จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเสมอสมาธิท่านทุกๆ ท, ท่านจะรอให้ใครมาสร้างให้สมาธิแปลว่าอะไรความสงบหรือความมั่นคงใจอยเยเฉยจะมั่นคงได้ไหมจะสงบได้ไหมทำอาศัยการฝึกตรามาะ เราต้องคำนึงถึงเหตุที่ให้ความมั่นคงของใจเกิดขึ้นซะก่อนว่าอยู่เฉยๆนอนอเฉยๆเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้เป็นวิธีไหนถึงจะได้พ่อผู้ที่ชาติเขาบอกว่ามิตเย็นทุกขมารเกจิตคนจะร่วงพ้นจากทุกไปได้ทุกทุกประเภทไม่ว่าทุกประเภทใดก็เพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนเวลานี้เรามีความเปียนแค่ไหนมั่งควรจะพอพ้นไปได้ไหมหรือควรจะนอนอยู่ในทุกนี้เพราะความเกียดคราบเราต้องคำนึงรู้สึกตัวอยู่เสมอยยอกย้อนถามตนเอง ดีกว่าที่เราจะไปถามคนอื่น น, นเมื่อมีความรู้สึกตัวเช่นนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาเองเพราะอุบายวิธีที่ใจคิดค้นหาเหยุดทับผลนั้นเป็นเรื่องของใจชำระตนออกจากสิ่งกังวลรุ่มวหมองท่านหลายกลายเป็นใจที่มั่นคงขึ้นมาไม่ว่าวแวกคอนแกนไปตามสิ่งที่มาเย่ายวน โดยง่ายได้อัญญาก็ใช้พินิษพิจารณาวันร้อมกระแสของจิตอยู่เสมอในเวลาที่มีโอกาสซึ่งควรจะพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายก็พิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงแต่ไม่ได้หมายถึงความเห็นชัดเหมือนอย่างตาเนื้อนี้โดยไทยย่ให้เห็นชัดด้วยปัญญาตามสภาพของความเป็นอยู่แห่งร่างกายทุกส่วนทุกอาการ ปกติเขาเป็นอยู่อย่างไรทำไมจะต้อง ถ, ถ้าหลอกหนังออกดูถึงจะรู้ว่ามีเลือดมีเนื้อเยื่อมอยู่ถ้าคนมีปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รับประทานและขับถ่ายออกไปเนี่ยเป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มันมีอาการอย่างไรบ้างซึ่งพอจะทราบตามหลักความจริงหน้าหากมีปัญญาพิจารณาถ้าไม่พิจารณาถึงวันตายก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรฉานหลับโมข้าวบุตรที่เปล่า จากประโยชน์ทั้งท ง, ทงที่มีขีวยตอยู่ทิ่งที่สะดวกสบายเป็นผลอันราบดื่นไม่อยากจะสะสะแวงแต่สิ่งใดที่จะทำความเดือดร้อนเหมือนยาพิษแล้วชอบเสพชอบอารมณ์เช่นนั้นชอบดูชอบฟังชอบคิดชอบอ่าน ท่าสิ่งใดจะเป็นคุณแกต่ตนเองขี้เกียจหาเรื่องออกตัวเสมอการออกตัวในในในวงแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นการผูกมัดตัวเองทางนั้นไม่ได้เหมือนแบบโลกโลกซึ่งผู้ที่รู้คนหมายก็เลี่ยงคนหมายไปแล้วเขาก็รอดพ้นไปได้ตามเรื่องของโลกนิยมเขาที่นั้นแต่ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำนั้นไม่มีใครทราบเขาจะพ้นหรือไม่พ้นนั้น ไม่มีใครทางไม่มีใครจะมีทางทราบได้ส่วนหลักธรรมะนี้ไม่มีที่แย่งที่รับต้องทราบตนอยู่เสมอฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะหาทางออกโดยวิธีที่โลกใช้กันดาน่าดือนควรจะหาทางทางแก้ไขโดยถูกธรรมะการประกอบความเพียร ก็ถือว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งทำไมเราจะมีความละอาต่องานของเราแล้วเราก็หวังผลเป็นที่พึงพอใจเราจะเอาผลนั่นมาจากไหนเมื่องานไม่เป็นทางเดินเพื่อผลที่จะไหลเข้ามาสู่ความมุ่งหวังของเราตั้งสติกำหนด โคดีบังคับกันลงไปลองดูสิใจความรู้สึกเช่นเดียวกันหมดชื่อว่าใจแล้วมีความรู้เช่นเดียวกันแล้วมีกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกันจะต่างกันอยู่บ้างก็กคือมากกับน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการสังสมของผู้เป็นเจ้าของถ้าเราไม่ใช่จะตั้งหน้าเข้ามาสั่งสมกิเลสแต่จะพยายามแก้ไขกิเลสนะควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสาคัญ ถ้าเรารักผลเร า, เราต้องรักเหตุคือการกระทําด้วยผลที่เป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆจะต้องเป็นมาจากเหตุไม่ว่าจะทางด้านสมาธิประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประเภทไหนจะต้องเกิดขึ้นจากการค้นขวายของตนเองเท่งนั้นแม้ที่สุดนี่มุดหลุดพ้นก็ต้องเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความเพียนทุกๆชิ้น ซึ่งสืบเนื่องกันเป็นอันดับจนมีกําลังเพียงพอแล้วหลุดพ้นไปได้แล้วความหลุดพ้นเราก็เคยเห็นตำหนักในตำหนักตำลาว่าท่านองนั้นหลุดพ้นอง์นี้หลุดพ้ น, ท, นท่านทํายังไงท่านจึงหลุดพ้นนอกเหนือไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไหมถ้าไม่นอกเหนือแล้วเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัตินอกเหนือไปจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไหมเราต้องมาคํานึงถึงเล่ะ ถ้านอกเหนือไปแล้วผลก็จะเป็นอย่างอื่นคือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานั่นแหละจะเป็นของเราสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าปรารถนาและประสงสอนไว้แล้วไม่สนใจเดินข้ามไปข้ามมานอนทับกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ไม่รับประโยชน์อะไรทุกขังอริยสจัจจงนี้เป็นของจริงท่านว่า มันปลอมสําหรับเราเพราะใจปลอมจึงต้องตำหนิทุกท่าเดียวแต่ไม่มีทางที่จะหาอุบายรู้เรื่องของทุกขโดยทางปัญญายึงมีแต่ทางเดียวที่จะสามุทายจะเกิดขึ้นวันยั่งคำ่ำแล้วก็ทำให้บนเรื่องของทุกขคืนยั่งรุ่งไม่มีเวลาจบที่ถากเปิดช่องให้มัก คือทางแก้ไขได้เข้าทำหน้าที่บ้างคงไม่ได้เจอตั้งแต่เมืองบนว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์โดยทันหากจะได้มีความรื่นเริงบันเทิงพนาจิตใจขึ้นเป็นชั้นๆและสามารถที่จะออกอุทานได้ในวันหนึ่งแน่นอนว่าเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสมุทัยก็ดีเราได้รู้เห็นอย่างชัดแจ้ง และถอดถอนขึ้นแล้วโดยสิ้นเชิงคำว่านิโรธซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อบัตรนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วได้ทำหน้าที่ดับที่เดือดตันหาไปโดยไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจเวลานี้ไม่มีอะไรขัดจนโลกจะจนจะมีก็าตามเราไม่มีไม่จนเราเป็นคนที่พอดีอยู่ในหลักมัธิมาธรมธรมชาติคือความบริสุทธิ์พอดีนี่จะมีวันอุทานขึ้นมา หากได้เปิดโอกาสให้ทางมักคือศีลสมาธิปัญญาได้ดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยความเพียรของเราไม่ท้อถอยทางพอดีความสม่ำเสมอจะมีขึ้นในจิตใจดวงนี้ท้อหมดความหิวความกระหายโดยทิ้งเชิงเลยเหลือแต่ความพอดีไม่เป็นนิ่งขวัญของใจในเวลาที่ครองร่างนี้อยู่ เมื่อถึงการร่างนี้จะสลายตัวออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะห่วงใหญ่เพราะสิ่งที่สมบูรณ์ได้สร้างไว้แล้วอย่างข้อมูลภายจิตใจดวงที่บริสุทธินั้นไม่มีอะไรที่จะบกพ่องแม้ร่างกายจะแตกไปก็ตาหรือจะยังอยู่ก็ตะเพราะเป็นจิตที่สมบูรณ์แล้วด้วยมรรคปฏิปทาตั้งแต่ขั้นตน้นจนถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรค ที่จะเสริมบุคคลให้พ้นจากทุกโดยจริงจริ น, เนะเท่าที่อธิบายมาก็เห็นว่าพอสมควรขอให้ทุกท่านนำไปที่พี่แกนะ่ะอย่าลืมตัวผมข อ, อยุตติธรรมเกสรหนาแกลงท่านี้